พิฆาบทวิพังสี่ร้อาคำว่าก็ภิกษุหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งความว่าหมู่บ้านก็ดีนิคมก็ดีเมืองก็ดีชื่อว่าหมู่บ้านและนิคมคำว่าอยู่อาศัยคือจีวรบิณทบาตเสนาสนะและเครลานปัจจัยเพเสรศบริขารเนื่องในหมู่บ้านและนิคมนั้นชื่อว่าตระกูลหมายถึงตระกูลสี่ได้แก่ตระกูลกษัตริย์ ตระกูลพรามณ์ตระกูลแพทย์และตระกูลสูตรคำว่าประทุษร้ายตระกูลคือประทุษร้ายตระกูลด้วยดอกไม้ผลไม้แป้งดินเหนียวไม้สีฟันไม้ไผ่การแพทย์หรือการสื่อสารคำว่ามีความประพฤติเร็วสามคือปลูกไม้ดอกเองบ้างใช้ผื่นปลูกบ้างรดน้ําเองบ้างใช้ผื่นรดบ้างเก็บดอกไม้เองบ้างใช้ผื่นเก็บบ้างร้อยดอกไม้เองบ้าง ใช้เพื่นร้อยบ้างคําว่าเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วคือกลุ่มชนที่อยู่เฉพาะหน้าชื่อว่าได้เห็นกลุ่มชนที่อยู่ลับหลังชื่อว่าได้ยินคําว่าตระกูลทั้งหลายที่เธอประทุษร้ายคือ <udi> er> เมื่อก่อนชาวบ้านมีศรัทธากลับกลายเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อก่อนเลื่อมใสกลับกลายเป็นผู้ไม่เลื่อมใสเพราะภิกษุนั้นคําว่าเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วคือ กลุ่มชนที่อยู่เฉพาะหน้าชื่อว่าได้เห็นกลุ่มชนที่อยู่รับหลังชื่อว่าได้ยินคําว่าภิกษุนั้นได้แก่ภ <t une> ิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลคําว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอื่นอธิบายว่าภ <t une> ิกษุผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลว่าท่านประทุษร้ายตระกูลประพฤติเร็วสามความประพฤติเล็วสามของท่านเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่ว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 ตะกูลทั้งหลายที่ท่านประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วท่านจงออกจากอาวาสนี้อย่าอยู่ที่นี้พึงว่ากล่าวตักเตือนแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอบัตทุกกฏภิกสุทั้งหลายได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอาบัตทุกกดพิกษุนั้นอันที่สูทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ท่ามกลางสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนว่า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 พึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอาบัตทุกกฎสงพึงสวดสมรูปพาสเธอวิธีสวดสมรูปาสและกรรมวาจาสวดสมรูปาสสงพึงสวดสมรูปพาสที่สูนั้นอย่างนี้คือทิกสูผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่าสี่้อสาสท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าทิกสูชื่อนี้ ถูกสงทำปรภาชนิยกรรมแล้วใส่ความภิกษุทั้งหลายว่ามีความลำเอียงเพราะความพอใจมีความลำเอียงเพราะความขัดเคืองมีความลำเอียงเพราะความหลงมีความลำเอียงเพราะความกลัวภิกษุนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงสวดสมรภัสภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นบัญญัติท่านผู้เจริญขอสง์จงฟังข้าพระเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงทำปรภาชนิยกรรมแล้ว ใส่ความภิกษุทั้งหลายว่ามีความลําเอียงเพราะความพอใจมีความลำเอียงเพราะความขัดเคืองมีความลําเอียงเพราะความหลงมีความลำเอียงเพราะความกลัวภิกษุนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้นสงสวดสมรภาพเธอเพื่อให้สละเรื่องนั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสวดจำรภาพภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นท่ารูปนั้นพึงนิ่งท่ารูปใดไม่เห็นด้วยท่ารูปนั้นพึงทักท้วงข้าพเจ้ากล่าวความ นี้แม้ครั้งที่สองเขาพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สามว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้ารูปนั้นพึงพักทวงพิจูดชื่อนี้สงสวดสมรภาพแล้วเพื่อให้สละเรื่องนั้นสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่งนิ้นเป็นมติอย่างนี้4ี่สามสจบยติต้องอบัตทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุลใจ จบกรรมวายจาครั้งสุดท้ายต้องอบัตสังฆาทิเศษเมื่อเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษอาบัตทุกกฎที่ต้องเพราะยั ต, ติอาบัตทุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมระ ง, งับไปคำว่าเป็นสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตนั้นสงทอนั้นให้ปริวาทชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดและเรียกเข้ามูคณะทำไม่ได้ภิกษุรูปเดียวก็ทำไม่ได้ ฉะนั้นจึงตรัสว่าเป็นสังขารทิเศตคำว่าเป็นสังขารทิเศตนั้นเป็นการขนานนามเป็นคำเรียกหมวดอาบัตินั้นโดยอ้อมนั่นเองเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังขาธิเศต